สำหรับการอ่านหรือฟังพระไตรปิฎกเนี่นะครับหากฟังแล้วรู้สึกไม่เข้าใจทั้งเนื้อหาหรือคำศัพท์ที่ไม่คุ้นชินขอให้ฟังผ่านไปก่อนอย่าสงสัยอย่าติดใจเพราะจิตที่สงสัยพยายามจะเข้าใจให้กระจ่างในขณะที่ยังไม่พร้อมจริงจะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและติดอยู่แค่ตรงนั้นสมองไม่สามารถรับรู้ข้อมูลอื่นต่อได้อีก หรือได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับการฟังคร่าวๆจับแค่ภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดฟังหรืออ่านสบายๆไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจหลายเรื่องไปเองโดยที่แม้บางคำจะไม่รู้คำแปลด้วยซ้ำจิตมนุษย์เนี่ยมีพลังมากหากปราศจากโมหะความเครียดแรงกดดันจิตสว่างใสสงบเย็นจะสามารถซึมซับ ร, รับรู้ และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมจะเข้าใจเนื้อหาได้ถึงแก่นได้ง่ายขึ้นและลึกซึ้งขึ้นนะครับการอ่านหรือฟังอะไรก็ตามควรให้สมองและจิตได้พักด้วยไม่ควรฟังต่อเนื่องยาวนานเกินไปต้องมีการพักเปลี่ยนอิรยาบถหรือปล่อยให้สมองและจิตว่างเป็นระยะด้วยนะครับอย่างกรณีการเรียนหนังสืออ่านหนังสือสอบ งานวิจัยระบุนะครับว่าควรพักทุก45นาทีด้วยการฟังเพลงเปลี่ยนอิรยาบทยืดเส้นสายร้องเพลงหรือทำสมาธิซึ่งโรงเรียนทางเลือกบางแห่งก็นำมาปรับใช้กับการเรียนจนได้ผลดีอย่างมากทั้งด้านพฤติกรรมนิสัยความจำทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมากนะครับ การได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและคงคำสอนถูกต้องเป็นโอกาสทองที่หาได้ยากยิ่งในสังสารวัฏทุกท่านที่กำลังฟังเสียงอ่านขณะ น, นี้นับเป็นบุคคลผู้ประเสริฐ ท, ที่มีโอกาสอันดีกว่าคนอีกหลายล้านคนรวมถึงภพภูมิอื่นที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอีกจำนวนมากนับประมาณไม่ได้การรีบขวนขวายศึกษาคมภีสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นมงคลยิ่ง เป็นบุญใหญ่ติดตัวไปอีกหลายภพชาติบุญมหาศาลนะครับไม่ต้องเสียเวลาเหนื่อยยากไม่เสียเงินไม่ต้องเดินทางไม่ต้องทรมานกายการเข้าใจธรรมะแม้ในระดับเริ่มต้นมีค่าและได้บุญมากกว่าการบวชถึงร้อยปีแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแท้ได้จริงเลยการสืบทอดพระศาสนาที่ดีที่สุดไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับพระหรือหน่วยงานทางศาสนาแต่คือการขวนขวาย ศึกษาธรรมะแท้จนเข้าใจได้จริงด้วยตัวเองก่อนต่างหากนะครับการปฏิบัติธรรมที่แท้ควรเริ่มจากการฟังหลักการที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมที่เกิดในสมัยพุทธกาลจานวนมากเกิดจากการฟังธรรมพิจารณาตามแล้วจิตเห็นตามจริงอย่างลึกซึ้งจึงบรรลุธรรมการทำสมาธิไม่ใช่การบังคับจิตให้หยุดคิด แต่คือการหาอะไรมาให้จิตมีที่เกาะกรรมฐานหลายกองนะครับคือการนำสิ่งต่างๆมาคิดระลึกถึงจนจิตเกิดกุศลจิตเป็นสุขจึงเกิดเป็นสัมมาสมาธิแต่การพยายามบังคับห้ามจิตกดข่มจิตให้นิ่งนั่นคือมิจฉาสมาธิที่ส่งผลเสียในระยะยาวแต่ก็แปลกนะครับ สิ่งเหล่านี้กลับถูกสอนและบังคับให้ทากันทั่วประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาส่งผลเสียหายหนักให้คนรุ่นใหม่มองการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งน่าเบื่อทาตามได้ยากไกลตัวและไม่อยากสนใจหรือแม้สนใจก็ปฏิบัติผิดมาตลอดจนแก้ไขได้ยากและขัดขวางการบรรลุธรรมที่ต้องเห็นความจริงว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ หลายคนรับรู้ว่าสมาธิคือความสุขเป็นบุญใหญ่ต่างพยายามเหน็ดเหนื่อยทำมานานท่ามกลางความเคร่งเครียดทรมานก็ด้วยเหตุที่เริ่มต้นด้วยหลักการและวิธีที่ผิดนั่นเองถ้าเข้าใจหลักการทำสมาธินะครับขณะที่ท่านรับฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกหรือรับฟังธรรมะทั่วไปหากจิตแน่นิ่งอยู่กับเนื้อหานี่ก็คือการทำสมาธิที่ดีเยี่ยมมากระดับหนึ่งแล้ว ถ้าฟังแล้วจิตสงบเห็นด้วยกับเนื้อหาเข้าใจเนื้อหาเกิดปีติจิตผ่องใสเป็นกุศลจะได้ทั้งสมาธิและปัญญาไปพร้อมกันคลื่นสมองสงบจิตเป็นกุศลจะเข้าใจข้อมูลได้ดีลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะไต่ลำดับไปจนถึงขั้นบรรลุธรรมได้โดยง่ายการบารรลุธรรมคือจิตเห็นตามจริงในความจริงของธรรมชาติซึ่งไม่จาเป็นต้องไปทรมานกายใจ ลำบากลําบนทาอะไรมากมายอย่างที่เข้าใจกันเพราะเจริตคนต่างกันนะครับการฟังธรรมะที่ถูกต้องจนเข้าใจหลุดจากความยึดติดในเบื้องต้นจะเป็นกำลังให้เกิดศรัทธาเหนียวแน่นในการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงและต่อยอดให้เดินตรงทางอย่างมั่นคงไม่เสียเวลาไม่ต้องเดินอ้อมบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าและเพียงการฟังก็สามารถบรรลุธรรมได้จริง ยืนยันด้วยบุคคลหลายท่านในพระไตรปิฎกนะครับอย่าหลงเชื่อคำกล่าวที่ว่าคนสมัยพุทธกาลบารมีมากกว่าเราพวกเราไม่มีทางบรรลุได้หรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสสอนแบบนั้นนะครับท่านตรัสยืนยันว่าหากตั้งใจศึกษาปฏิบัติจเจริญสติต่อเนื่องจริงจะต้องบรรลุธรรมในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรื อ, อยางมากเจ็ดปีซึ่งก่อนลงมือปฏิบัติจริง ควรเริ่มจากศึกษาพระไตรปิฎกก่อนเพราะ ก, การันตีความถูกต้องได้แน่นอนนะครับทําความเข้าใจก่อนด้วยว่าภาษาในพระไตรปิฎกเป็นสำนวนแขกและมีการแปลจากบาลีมาเป็นไทยโดยเน้นคงความหมายตามตัว อ, อักษรเดิมเพราะไม่อยากให้การแปลผิดเพี้ยนซึ่งส่งผลให้อ่านเข้าใจยากมากสําหรับคนทั่วไปสําหรับหน่วยวัดต่างๆ ท่านแปลามาตามสํานวนแขกนะครับเช่นห้าร้อยชาติไม่ได้หมายถึงมีห้าร้อยชาติพอดีแต่เป็นสํานวนแขกที่หมายถึงยาวนานมากเหมือนเวลาเราเรียกโจรห้าร้อยไม่ได้หมายถึงว่ามีโจรห้าร้อยคนเช่นเดียวกันสํานวนแขกหลายส่วนนะครับที่ทําให้คนไทยและคนรุ่นหลังไม่เข้าใจผ่านมองคําภีเป็นเรื่องแต่งเกินจริงเกินจะเชื่อแต่น้อยคนจะเข้าใจว่า มันเป็นแค่สํานวนของต่างชาติที่ท่านแปลมาตามตัวหนังสือเท่านั้นจึงควรทำความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหามากกว่าจะมานั่งจับผิดคำแค่บางคำที่ติดข้องสงสัยแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกรณีชาดกเรื่องเล่าหลายเรื่องนะครับหลายคนจะค้านและไม่อยากเชื่อในความจริงอยากให้เน้นประเด็นหลักเนื้อเรื่องที่แท้คุณธรรมมากกว่า เหมือนฟังนิทานอีศบนะครับคนโง่เท่านั้นที่จะมานั่งจับผิดว่ามีที่ไหนช้างม้าพูดได้แต่คนฉลาดหรือคนปกติทั่วไปเนะี่ยเขาจะเข้าใจได้โดยง่ายไม่สนใจว่าทำไมช้างม้าพูดได้แต่ปังเรื่องทั้งหมดสรุปความและจับประเด็นว่าใครทำอะไรได้ผลอย่างไรเป็นบทเรียนให้คนอื่นแล้วเราทำตามได้อย่างไร ในเรื่องเล่าจำนวนมากนะครับมีการเล่าด้วยชื่อเมืองเดิมชื่อคนเดิมๆถ้าจะให้มองในแง่ของนักเผยแพรธรรมะนะครับก็คงเพื่อความเข้าใจของคนในสมัยนั้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าใช้ชื่อเมืองจริงในอดีตใช้ชื่อคนในภาษาที่ไม่รู้จักคนฟังในยุคนั้นจะงงแค่ไหนแต่พอเล่าสิ่งหลักๆที่เขารู้จักจิตก็น้อมตามคิดถึงภาพได้ง่ายได้ชัดและจะประเด็นเนื้อเรื่องว่า ทำอะไรได้ผลอะไรยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ถ้าเราเชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดกันหลายแสนชาติจนประมาณไม่ได้การเล่าถึงสิ่งมหศัศจรรย์อาจไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มหศัศจรรย์เกินมนุษย์เหนือธรรมชาติแต่อาจเป็นวิวัฒนาการสมัยนั้นที่ล้ำหน้ากว่าสมัยนี้หรือพอๆกับสมัยนี้ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าท่านกำหนดจิตด้วยกำลังแห่งฌานสมาบัติมาเห็นภาพในปัจจุบันมีคนขึ้นเครื่องบินคนคุยโทรศัพท์มีภาพในโทรทัศน์มีรถยนต์วิ่งสะดวกท่านจะไปเล่าให้คนในยุคพุทธกาลฟังอย่างไรถ้าเล่าตรงความจริงคนก็จะยิ่งงงนึกภาพไม่ออกสุดท้ายจิตสงสัยแต่สิ่งที่ไม่ควรสงสัยที่เป็นแค่เปลือกของเรื่องเลยไม่ยอมสนใจประเด็นหลัก ที่ต้องการเล่าให้เป็นบทเรียนให้ฟังว่าทำสิ่งนี้จึงได้สิ่งนี้สุดท้ายท่านอาจต้องเอาสิ่งใกล้ตัวมาแทนสิ่งที่เป็นจริงทั้งชื่อเมืองชื่อคนสัตว์พูดได้และลักษณะพิสดาลต่างๆที่อาจดูเหนือมนุษย์เกินจะยอมรับให้เชื่อตามได้ถึงได้แนะนำไว้แต่แรกนะครับว่าการฟังอะไรก็ตามควรฟังจับเอาใจความสาคัญ ฟังสบายๆอย่าเพิ่งด่วนพยายามจะเข้าใจทิ้งประเด็นย่อยหรือสิ่งไม่ใช่สาระในเนื้อหาออกไปก่อนซึ่งจะทําให้ได้ประโยชน์จากเนื้อหาและเข้าใจง่ายขึ้นหลักการเนี้ยใช้ได้ทั้งการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมะนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อการเรียนรู้ในทุกด้านสําหรับธรรมะเชื่อไหมครับว่าแค่อดทนฟังไปด้วยใจที่สบายไม่เคร่งเครียด ฟังซ้ำไปมาฟังเป็นประจาในเวลาที่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปฟังไปเรื่อยๆทั้งที่ตอนแรกก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่อดทนฟังไปวันหนึ่งคุณจะตกใจและพบว่าอยู่ดีๆเกิดเข้าใจเนื้อหาขึ้นมาเองและเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามลำดับอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับการฟังทำให้เกิดปัญญาและต้องฟังอย่างถูกหลักด้วยการไม่กดดันตัวเอง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยร่างกายที่ผ่อนคลายพร้อมจะรับข้อมูลด้วยนะครับฝากอีกนิดว่าอย่าเผลอโปรแกรมจิตด้วยข้อมูลที่ทําร้ายตัวเองว่าเราบารมีน้อยเราไม่มีโอกาสบรรลุธรรมยุคนี้ไม่มีคนบรรลุธรรมแล้วเพราะนั่นจะทําให้คุณไม่สามารถบรรลุธรรมได้ซึ่งอาจติดไปถึงชาติหน้าที่จะคงความคิดนี้ไม่ยอมเปลี่ยน ตั้งใจมั่นใจอดทนภาคเพียนเพราะแก่การฟังก็ทําให้บรรลุธรรมได้โดยง่ายมีตัวอย่างมากมายตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับหากฟังแล้วยังไม่บรรลุก็เป็นเหตุใกล้ให้บรรลุได้ง่ายต่อไปในเร็ววันแล้วเป็นหลักชัยเส้นทางจุดหมายที่ถูกต้องเป็นหลักเพื่อการปฏิบัติที่ไม่ต้องทรมานกายเสียเวลาหรือพลั้งพลาดลงต่ําไปอย่างที่ยากจะถอนคืนกลับมาได้ อย่าลืมว่าทานศีลภาวนาทุกอย่างเป็นบันไดซึ่งกันที่จะส่งเสริมให้เข้าใจธรรมะได้ดีมากขึ้นขอทุกท่านฟังธรรมะด้วยจิตผ่องใสบรรลุธรรมพ้นทุกกันเนชาตินี้หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอกาสดีที่เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาละคงคำสอนถูกต้องหาได้ไม่ง่ายนักทุกท่านได้รับโอกาสทองนี้แล้วควรรีบขวนขวาย เพื่อไม่ต้องกลับมาเจอทุกแสนสาหัสจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปเลยฟังธรรมะที่ถูกต้องเป็นประจำจิตจะเป็นกุศลแรงกุศลจะส่งสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนำพามาซึ่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคลายทุกขเพิ่มสุขได้จริงขอประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายสักเล็กน้อยนะครับ หลังทําพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเสร็จจะเริ่มอัดพระไตรปิฎกฉบับเต็มซึ่งอาจใช้เวลามากกว่าสองปีเพราะมีภาระการงานที่รับผิดชอบหลายด้านการสร้างพระไตรปิฎกเป็นบุญใหญ่อันนี้ส่งสูงที่สุดในด้านธรรมทานนะครับบุญใหญ่มหาศาลอันประมาณมิได้มีประโยชน์ในการสืบทอดพระศาสนาไปอีกยาวนานโดยรูปแบบการเข้าถึงคนทุกวัยในวงกว้างได้จริง บุญใหญ่มากนะครับไม่อยากเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้คนที่ผมรักและรักผมพลาดโอกาสนี้จึงตั้งเป็นโครงการให้ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระไตรปิฎกเสียงอ่านชุดนี้เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและทำแผ่นส่งถวายวัดหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั่วประเทศต่อไปในอนาคตสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ o กโจโฉเสียงธรรมหรือที่เว็บโจโฉดอนะครับใช้คาว่าโจโฉค้นหาใน Google ได้เลย ขอทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงโครงการจัดทำเสียงอ่านพระไตรปิฎกเผยแพร่เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ถูกต้องตรงทางยาวนานที่สุดกุศลใดที่เกิดจากการจัดธรำขอน้อมบูชาคุณแด่พระรัตนตรยัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณจากทุกภพภูมิ ขอความดีและบุญกุศลทั้งปวงที่ได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและจะทำให้ยิ่งขึ้นในอนาคตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าภาพร่วมจัดทาเสียงอ่านพระไตรปิฎกในนามชมรมผลดี 5. ธันวาคมปีพุทธศักราช2559